4. อปัญญัตเตปัญญัตตะวัคหมวดว่าด้วยทรงบัญญัติในเมื่อยังไม่ได้บัญญัติ500 «ละพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทที่ยังไม่ได้บัญญัติทรงบัญญัติเพิ่มเติมสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วละทรงบัญญัติสัมุขาวิไนละทรงบัญญัตสติวิัย ละทรงบัญญัติอมูระหะวิไนละทรงบัญญัติปฏิญญาตการณะละทรงบัญญัติเยภุยศิกาละทรงบัญญัติตัดสปาปิยะศิกาละทรงบัญญัติตินวัฏฐากะแก่สาวกทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อความยอมรับว่าดีแห่งสง์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์พระตถาคตทรงบัญญัติตินวัฏฐารกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัฏฐารกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยาก 2. เพื่อความอยู่ผาสุขแห่งเราภิกษุผู้มีศีลดีงามพระตถาคตทรงบัญญัติตินวัฏฐารกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติตินวัฏฐารกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลาย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 หนึ่งเพื่อปิดกั้นเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันสองเพื่อกําจัดเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตพระตถาคตทรงบัญญัติตินวัฏฐาระกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติตินวัฏฐาระกะแก่สาวกทั้งหลาย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 พระตถาคตทรงบัญญัติตินวัฏฐารกะแกสาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อปิดกั้นภัยทั้งหลายอันจะเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดภัยทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตพระตถาคตทรงบัญญัติตินวัฏฐารกะแกสาวกทั้งหลาย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 โดยอาศัยอำนาจสองประการคือ 1. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรม 2. เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยพระตถาคตทรงบัญญัติตินวัฏฐารกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้อปัญญัตเตปัญญัตาวัคที่สจบ